ปีติเกิดขึ้นปีติตองันเป็นปีติยินงยิ่ ง, อ, งอุปจารสมาธิและอิ่งปัญญาญาณด้วยมีสัมพยุตการทั้งปัญญาทั้งอุปจารสมาธิด้วยทั้งความยินดีด้วย ความพิติตด้วยเป็นศรัทธาจฉยแก่กล้าขึนด้วยเป็นปัญญาสมบูรณด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยญาณกายเป็นปัญญาปัญญากายเป็นญาน จะทำให้จิตไม่ถอยหลังด้วยจะทำให้ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลังด้วยจะก้าวหน้าไปในตัวด้วยมีปัญหาศารัเข้ามาว่าพระบรมศาสดา เข้าสู่เขาไมานไปแล้วจะแสดงตัวมาให้เราเห็นได้ไหมถ้าเรามีขันเท่าจบากอยู่ข้แสดงตัวมาให้เห็นได้ถ้าต่างฝ่ายต่างเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเส้นลมปาณไปแล้วก็มาแสดงตัวไม่ได้ถ้าทางหนึ่ง มีขันห้าอยู่ก็แสดงรูปข้าหน้ามาให้เห็นได้จะว่าธรรมของเราแสดงให้เราเห็นก็ถูกจะว่าธรรมของเราแสดงออกให้เราเห็นก็ถูกเราเคยเป็นเหมือนกันชิ้นเหนี้เึง้อนเหล่านี้ไม่ใช่ของขี้หลวเป็นของดีทั้งนั้นเป็นของเกี่ยวขับการจะหลุดจะพ้น แม่กางพพุทธศาสนาผู้บรรลุยอมเห็นเองผู้มีศรัทธายอมศรัทธาเองพพุทธศาสนา มัพระพุทธศาสนาไม่ใช่อามิสไม่ไม่ใช่จะเป็นทานเบ็ดทานแล้วจะไปติดอามิสกี้ก่อนไม่ใช่าศาสน า, าอื่นเอาอามิสมาหลอกลวงให้เลื่อมใสเมื่อได้ของมากๆแล้วก็ว่าดีถ้าของหมดไปแล้วก็ไม่ได้อีกก็หยุดการเลื่อมใสแล้ว พระพุทธศาสนาไม่ไเป็นอย่างนั้นไม่ได้เอาอามิธล่อเพราะไม่เป็นนกเป็นปลาถึงแม้จะเป็นนกเป็นปลาก็เป็นนกเป็นปลาที่จฉลาดไม่ไปติดแบ็ดติดแล้วของใครเลยพระพุทธศาสนาไม่ไปแต่แตติดแบบดติดแล้วของนายพรานที่เอาเหยื่อล่อไว้นย่างเท่านั้น จึงสอนว่าเป็นสัมทิฏฐิโกสัมทิฏฐิโกนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปอากาลิโกไม่มีการไ ม, ม่เวลาก็นับถือแต่พระโสดาบันขึ้นไปปจัจจตังเห็นเฉพาะตนว่านับถือแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้าจะอ้างตามก่านั่นลงมามันก่อฟันเสื อ, สอถ้าจะอ้างตามก่านนั่นลงมา เช่นพวกเขาไม่เริ่มสส่วัตถุศาสตรศาสนาเขาก็เขาก็รู้จักเขาอยู่ว่าเขาไม่เริ่มใส่วัตถุศาสตร์ศาสนาอันนั้นก็เป็นปัจจิตังมือนกันเช่นพวกโจรพวกผู้ล้ายเขาไปลักไปป้นเขาก็รู้ว่าเขาไปรักไปป้อนอยู่จะจัดเป็นสันทิทิโกมันก็ฟันฟเฟืองเกิมไปมันทิทิโกในทางพัตถุศาสตร์นะจึงจับแต่พระสวสดาบันเท่านั้นเป็นต้นไป เป็นต้นของผมอาจารย์ถ้าตามข้อนั่นลงมาเรียกว่าตีละฉานนักานพมัญชาลาสูตรพ ม, มัญชารสูตรเป็นสูตร ที่เป็นจาขายใายกับนายพานอยากนกเขาเรียกใส่ชื่อเรือนาใหม่เรียกว่าผมมาชน า, าสูตรเพราะสูตรอันนั้นมีชนลาพยาธิมรณะอยู่ไม่สามารถจะเข้าสู่วัิฑทานได้ ข้าศึกก็จะปนน้อยอยู่ในอุ้งมือแล้วผู้ช่ยายะสามีก็อยู่อยู่ในอุ้งมือเหมือนกั น, น, นอุ้งมือมือคืออะไรมือสติมือปัญญามือใจมองเห็นฝั่งแล้วฟังอะไรฝังที่ไม่โรคไม่กวดไม่หลงฝังที่ไม่มีอุปาทา ฟังที่ไม่สงสัยเราเดินมาอย่างนี้ขาเราก้าวยังไม่ถึงก็าตามแต่ก็เราก็ต้องเห็นวงหน้าแค่ก่อนเราที่ก้าวไปพระเดบัติเพื่อนทุกข์ในวัตตาสงสาร ต้นหาหม่มากเพราะวิชาประพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายมาเพลมสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายเค็ดหลั <c oughs> บวิดามันาดาลุดาวา่าข่าวลูก หานก็เมันกันไม่ใช่จะสอนให้ลูกห ล, กลานล่อเลียนเล่นสอนให้เคสให้หลาบไม่ให้ทำผิดอีกฉันใดกระดีทำสอนแต่ละวรรดาทของพระพุทธศาสนาสอนให้เขสหลาบในวัตาสงสารทั้งนั้นสอนให้เห็นภัยในวัดตาสงสารทั้งนั้นเช่นปานาธิบาตต้ น, ตนสูไปฆ่าสัตว์อายุของสูงสัน้น เดี๋ยวสู้ตายง่ายๆสู้ไปรักของเขาเขาจะมารักของถูพระบรมศาสดาสู้ไม่เห็นโทษบางคำโงท่านก็ บ, บอกถูบางคำที่ท่านใช้คำหยาบอย่างนั้นเรียกว่าท่านพูดแบบลูกหลานๆพระบรมศาสดาแมอแต่พูดแบบคนอื่นบางทีเขาใช้คำว่าสูบางทีเขาใช้คำว่าท่านท้งลาย บางทีเขาใช้คำว่าเธอทั้งหลายบางทีเขาใช้คำว่าลูกหลานทั้งหลายใช่อะไรก็ไม่มีพิษเพราะท่านไหนมีกิเลสท่านจะถือค้อมืออย่างนี้ก็ไม่สงสัยว่าท่านจะปฏิรูเพราะท่านไมีกิเลสท่านจะดูด่าว่ากล่าวทุกเพ่ยงไหนก็ไม่สงสัยว่าท่านจะผูกเวรเรา มันเพลินในว่าท้าสุกขรมามากหลายภพหลายกาศแล้วสอนให้เห็นโทษทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นไม่ติดอยู่ในไดน้ไม่ติดอยู่ในเสียด้วยไม่ติดอยู่ในเกิดแก่เก็บตายด้วยบางวางคนเขาก็พูดเหมือนกันอ๋อ ทำซาลาดีๆอย่างนี้เดี๋ยวจะมันมาปมาเป็นเปรยเฝ้าอยู่นี่แหละถ้าจะเป็นเปรดเฝ้ามาเฝ้าซาลาทําไมก็เฝ้าล่างกระดูกมันยังดีกว่าซาลาอมไกลหน้ากระดูกกุมังงานก็เฝ้าล่างกระดูกนอนเฝ้าล่างกระดูกมันไม่มันไม่ใกล้กว่านี้เลมันเป็นหัวล่างกระโหกนอนเฝ้านอนเฝ้าล่างกระดูกมันมาเ่าะร่างกระดูกอีกวิจารณาร่างกระดูกมันแตกครับ นี่บางคนเขาพูดไปทั่วคบอกว่าอยู่แต่ของเก่ามากมันก็เป็นเสือเรียมก้างสิอออยู่ของเก่านี่หมายเพียงแค่ไหนนับแต่พรหมโลกไปของเก่าทาั้งนั้นขยินดีมาเกิดแก่แคบตายก็เป็นเสือเรียมเลียมก้างแล้วนับแต่พรหมโลกเมื่ใช่ว่าแต่มนุษย์นี่เลย เราพูดอย่างนี้แล้วรับหมดปัญหาหรือเปล่าเสือเรียมก้างกระไม้ขนาดไหนเราพูดอย่างนั้นนับแต่พอ ม, มาลอกลงมาเรียกว่าเสือเรียมก้างใครมาเกิดเราพูดอย่างจะไปเกิดที่ที่ใหม่จะไปเกิดที่ไหนที่ไหนที่ยังไม่เกิดไม่มีเอา้าที่ไหนไม่มีไม่มี เกิดมาแล้วในใจโลกธาตุทุกห้อนทุกแห่งที่เอามาเกิดแก่เก็บตายจะนายหรือไม่นายจะเบื่อหรือไม่เบื่อเท่านั้นปัญหาของมันจะเคล็ดลาบหรือไม่เท่านั้นจะหยุดหรือไม่เท่านั้นหยุดในการฆ่าสารรักฆาตประพฤติในตามหยุดในเวรในภยัยจะหยุดหรือไม่เท่านั้นจะเคล็ดลาบหรือไม่เท่านั้น ถ้ า, าว่าโลกมันเป็นสุขอยู่เท่าเมล็ดงายอย่างนี้มันก็ข้อสูงมันิพรายได้เพราวิญญาณปฏิสัมพันธ์มันจะปรแอบอยู่ที่นั่นพระทหารไม่เห็นว่าโลกมีสุกเท่าเมล็ดงาเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณปฏิสัมพันธ์ของท่านจึงไม่มีถ้าเห็นว่ามีสุกอยู่ ถ้าเมงาขาลิ้นหรือเม็ดพันธระพกาดมันก็ต้องเสวงประอยู่ที่นั่นถ้ามันไม่มองเห็นปัญญาอันชา้นแล้วมันก็หมดปัญหามันจะหาอีกมันก็เกี่ยมตัวตายเท่านั้นเกี่ยมตัวตายคืออะไรคือภาวนาตายตายภาวนาภาาวนาตายเรียกว่าเกี่ยมตัวตาย ตายเป็นเรียวกว่าตายคาภาวนาตายไม่เป็นเรียวกว่าไม่ภาวนาาราลงมานี่ถ้าจะหาสุขในวัฏสงสารก็เท่าแข็งดีกับพระอริยเจ้าว่าท่านเป็นคนโง่หาสุขก็ไม่เห็นเลยจะไปหาแข่ง ท่านหาสุมาเห็นพระรยาเจ้าท่านจึงยอมเบื่อหน่ยนายแม่วาจาสังสานเไปที่ไหนก็พบจะทุกข์ไปที่ไหนก็พบจะทุกข์กกสังคาราปรมารถุขานสังขารเป็นทุกข์กอย่างยิ่งโลกเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันส้าพระโลกทั้งปวงรวมลงมาในสังขานโลก มสังขาราปรมาทุกขาสังขารมันทุกอย่างยิ่งก็โลภเป็นทุกอย่างยิ่งก็ไม่พิดอะไรเพราะมีแต่สิ่งที่เปิดเผยแกก็เปิดเผยเก็บก็เปิดเผยตายก็เปิดเผย อ, อยู่ไม่รี้รับเลย แก้ตอบฟันหักหัวหงอกอะไรต่ออะไรก็เปิดเผยอยู่แล้วในทางที่หยาบๆก็ดีนั่นแล้วทําไมเราถึงจะไม่เห็นเราเป็นผู้แสดงเห็นอยู่แล้วตกลงอุปรสรรคก็เป็นยาพิเศษเนิรโลกมีแต่อุปรสรรคทั้งนั้นก็ยิ่งเป็นยาพิเศษเป็นเหตุให้นักปราชญ์เบื่อโลก ความละอาในวัฏจัรสงสารความเคลาดบในวัฏจักสงสารนั่นแหละคือตัวศีลนั่นแหละคือตัวสมาธินั่นแหละคือตัวปัญญานั่นแหละคือตัวนิพพาวิราคาวิมุตวิสุธินิพพานนั่นแหละคือตัวว่างว่างจากความเป็นห่วงในวัฏจักรสงสารว่างจากความไม่ไม่สงสัยในวัฏจัรสงสารทําแท้มันย่นลงมาใส่กันได้หมด เพราะไม่ใช่ทําขี้เมาทําขี้เมาเรายน่นลงมาหากันมาได้คอยแต่จะทุกข์จ ะ, จะต่อยกันทําแท้มันยน่นลงมาหากันได้เดินทางผาทางไหนนอกจากกายไม่มีอันใดจะปฏิบัติกายนอกจากกายไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากกายไม่มีอันใดจะเป็นโทษ นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะเป็นคุณเหมือนกันล่ะนั่นะคุณละโทษใครเป็นผู้สร้างขึ้นก็คือใจผลของคนคุณละโทษใครเป็นผู้รับก็คือใจจะปฏิเสธให้ตางหูจมูกเรื่งกายเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดด้วยนั่นย่อเข้ามาย่อเข้ามาละทีนี้ให้เป็นผู้สร้างปัญหาขึ้น ก็ใจเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นใจสงสัยอันใดจึงสร้างปัญหาขึ้นถ้าใจไม่สงสัยอันใดในวัดท้าสงสารใจก็ไม่สร้างปัญหาขึ้นถ้าใจเห็นทุกข์ชัดใจก็ต้องเค็ียลาบทุกข์ชัดไม่ต้องก็หาพยาน เราคีบเกลืออยู่ผมคีบเกลือที่ฉันคีบเกลืออยู่นี่เข้มไหมเราจะถามเขาอย่างนั้นหรือไม่ถามเดี๋ยวนี้ผ ม, ผมอัตมากแก่ไหมผมหองอัตมางอกไหมจะว่าอย่างนั้นหรือไม่งอกไม่หอกงอกหลอ ก, ก, กยังนมนมอยู่อจะให้ว่าอย่างนั้นหรือ มันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันปฏิบัติเพื่อเพิทุกข์าณะคิดเดียวยังมีดีกว่าปฏิบัติเพื่อโลกาที่จตายตั้งนั้นแ้านันณะคิดยินดีเลพระนิพพานในมาไม่ทางไม่ม า, ม า, มากเกิดแก่เก็บตาย คณะจิจเดียวยังดีวกว่ายินดีในโลกลลนั่นล่าคณะกิจยังมีกำลังกว่าสิ่งอื่นอีกด้วยช่ถึงมันจะอ่อนเพรียสักเพียงไหนก็ตามมันก็ยังพอ拉กรุงใได้ ฉันเนงก็ที่ผู้เคยปฏิบัติพระพุทธศาสนามาแล้วเห็นชัดแล้วเมื่อปัญญาอันชัดขึ้นสู่สุฏิญโนแล้วเขาก็ยังพอที่จะลากตัวเข้าสู่พระิตพานไปได้อยู่ไม่ถอยหลยังตำกรณ์ลงมามารับรอ เครื่องตัดสินและทดสอบพระสวสาบันมีอยู่ถ้าท่านผูน้ใดยังโกรธแค่มนุษย์นี่จะผูกเวรเขาจะสาปแช่งเขาในกิตในใจขพให้มันชิบหายใจทุกอย่างนี้ก็ดี หรื อ, อยังยินดีเรื่องใสในอบายยมุขคณะคิดใดขณะคิดหนึ่งอยู่ก็ดีหรื อ, อยังอยากเจะละเมิดไม่ซัดซื้อต่อสามีและภรรยาของตนพอดี หรืออยากจะค้าขายเครื่องผาหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นในเะนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำมอค้าขายยาพิษก็ดีหรื อ, อยังสงสัยอยากจะถือศาสตราอื่นรัฐที่อื่นอยู่บ้างมาปนเปยก็ดีอันนั้นไม่ใช่พมจัน์เมืออต้นเนอ้อไม่ใช่สุปฏิปันโน ไม่ใช่พระโสดาบันไม่ใช่พมจันเบื้องต้นของพระพุทธศาสนายังไม่มองเห็นหนทางไปสู่พระนิพพานถ้าอย่างนั้นแล้วกว็โตคนข้ามมองเห็นหนทางไปสู่พระนิพพานแล้วในด้านจิตใจในปัญญาจักสุจักสุคือปัญญา ในพุทธจ้าจักขูคือจักขูขพ่พระพุทธเจ้พาพระพุทธะสี่จำพวกสาวกโภพุทธะจำพวกหนึ่งสามวกาพุทธะจำพวกหนึ่งกัจเจกพุทธะจำพวกหนึ่งสมาสัมพุทธะจำพวกหนึ่งดังได้กล่าวมาแล้วนั่นเองน่ะพรานะอะไรมันก็สูงหมดถ้าจิตเราสูง ถ้าจิตเราต่ำพานาอะไรมันก็ต่ำหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาบ้งท่านกล่าวตัวว่าพานาพุโทโธจิตต่ำ ม, มันไม่ต่ำพุทโธไปพามาแก่พุโทโธไปพามาเก็บพุโทพาาพโธไปพามาตายพุโทโธไปพามาโลกมากวดมาหลงพุโทโธพาเข้าสู่พระนิพพานธรรมโมทั้งโคก็เหมือนกันอธิบายเขาเปลี่ยนสีพระธรรมขันต์ก็ได้ ทำเจริญวัฏะบา่เช่นพี่นาตายตายตายอย่างนี้เขาเหมือนกันพระพุทธศาสดาสอนให้กลัวตายอย่ามาเกิดแก่เก็บตายอีกผู้ที่มาเกิดแก่เก็บตายอีกคือเรียกเอาพูกไม่กลัวตายพราละหันเฉพวกเดียวกลัวตายไม่มาแก่เกิดแก่เก็บตายอีกเพราะเราเป็นอาหารทางตายก็มาเกิดแก่เก็บตายอีก ไม่กลัวตายแลวพวกเรามันจึงมาเกิดแก่แก็บตายอีกข้าราหารนั่นกลัวตายจึงไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกทาไ ป, ป่ายนีง่งไปอสศพประชิงเขาบอกว่าอยาไปอยู่ที่ร็กนะเดี๋ยวมือมานะ เออก็มาถานกวกกลัวตายหรือเขาพูดแล้วก็บอกาาก็มาถานอนไรยิ่งกลัวตายงูมาเดี๋ยวนี้อาตมาก็ต้องวิ่งก่อนมูละพวกคุณไม่ไปก็อยู่นี่นเนอะเขาพูดเขาก็หัวเราะทีออก็มาถานกลัวตายีย่จึงได้มาบวกเพื่อปฏิบัติไม่ใหา้มาเกิดแก่เก็บตายเราพูดซ้ำ คนเรามันใจถึงทุกคนพระสวัสดิ awan ใจถึงอยากจะถึงพระสักระคาามีพระกระคาามีใจถึงใจเหนียวถึงพระอนาคามพระอนาคามีเหนียวถึงพระรหันต์ใจถึงคนโจรคนพ้นใจถึงทางขี้ทางพ้น นักป่าใจถึงทางดีคนชั่วใจถึงทางชั่วคนเราใจถึงทุกคนเมะละ่อแรงวันก็ใจถึงทางมุดคูดเมะละ่อแรงพึ่งก็ใจถึงทางเกสรอน อ, อกไม้คนเราไม่ใจถึงคนละคนคนละแง่ไม่พออ้างเหมือนกันเราก็เรียกว่าพรรคประชาที่ประจายได้เหมือนกัน เขาก็ว่าพรรคประชาธิปไตยเขาพ่อที่ถือไม่มีบาไม่มีบุญแต่หลอดหรือไม่พวกที่ถือไม่มีบาไม่มบุญก็พวกที่ถือมีบาไม่มบุญ เราก็ไม่ต้องพูดว่าเรามองดูโฉมหน้าแคบยวเราก็รู้ถูกไหม ใครอยากเห็นโลกันนารกก็พวกที่เธอไม่มีบาบีบุญโลกันนารกดูมืดมันมองไม่เห็นเชลเลยมันเห็นแต่เมืองมนุษย์ทำไมพุทธสูงมาหาตัมม ทำไมประเทศไทยไปซื้อที่ไหนก็จะขายทั้งนั้นมีของขายของดูของกินอยู่ทุกผลถนนหนทางทุกแห่งไม่ต้องเข้าคิวกันเหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นต้องเข้าคิวกันแต่เราไม่ได้เคยไปได้ยินท่านผู้อื่นเล่าให้ฟังคุณโยมคนนี้เล่าให้ฟังประเทศญี่ปุ่นก็เข้าคิวกันนะหลวงปู่นะประเทศอื่นๆก็เหมือนกัน อาหารเท่านี้ต้องเอาไปจากประเทศไทยที่ฉันไปสิเวเดนเราเองทานอาหารไม่ได้เลยเอาไปจากประเทศไทยของเราไปที่ไหนที่ไหนที่ฉันกำลังไปทดสอบดูนึกถึงประเทศไทยคืวพนวันละก็ผิดกัน นี่ก็มาเป็นเครื่องอบอุ่นด้วยทำไมประเทศไทยของเราไปที่ไหนอู่ข้าวอู่น้ำไม่อดเพราะประเทศไทยมีทานวัสศีลวัดภาวนาวัดถือศาสนาพุทธอีกด้วยถ้าให้ประเทศอื่นมาปกครองดูสิไม่พอสามปีก็อดตายเพราะมันไม่รู้จักทานศีลภาวนา มันไม่รู้จากพ้าจากสงฆ์สองทักปีกนที่พ่นกันตายไม่พอกิมกันละพระพุทธศาสนาคือเว็นพระพุทธศาสนาที่แบ่งเบาอยู่แล้วเพราะเหตุใด เป็นพระพุทธศาสนาที่ทามันอยู่แล้วเช่นสอนให้รู้จักประหยัดสอนมาให้หนักไปในทางการมารมณ์มแม่ขาวแม่ชีเขาก็มาบวชซะเขามาให้หนักไปในทางการมารมณ์พิพูธเจ้าเมรินห้าแสนหกแสนอยู่ในประเทศไทย ให้พี่สามเรนเหล่านี้ออกอยมีครอบครัวดูสิแม่ค้าดาบดเหล่านี้จะได้นาที่ไหนมาให้จะได้ดินที่ไหนมาให้ที่บ้านที่เรือนจะได้ที่ไหนมาให้ทไหนจะพอกันนั่นมันเป็นทาทำผลในเป็นหมันอยู่แล้วพระพุทธศาสนาเลยแม่ พูดที่เขาซื้อสินที่ทาที่อยู่ครองคลรวาสวันพระวันเจ้าเขาก็ไม่สงสิงกันน่นเขามีข้อวัดอยู่แล้วมันเป็นมันอยู่ในตัวแล้วมีขอบเขตแล้ว อะไรจะไปดีเท่าพระพุทธศาสนาไม่มีเอา้าสอนมนุษย์โลกตอนไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนเอา้าไม่มีสอนเทวโลกตอนไหนพระพุทธศาสนาไ ม, ม่สอนกอนไ็กไม่มีสอนภพมโลกตอนไหนพระพุทธศาสนาไม่มีไม่มีสอนใครสอนเก่งกว่าพาระพุทธศาสนาไม่มีอีกนะ ในระหว่างผัวก็มีเอาพุทธศาสนาก็สอนบันทิตโตฆมาวาสังบันทิตเป็นผู้คองเรือนพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีครองเรือนนะครับพุทธองค์เป็นส่วนมากหลวนพรอรหารท่านไม่คลอง ในระหว่างพ่อกับลูกพระบรมศาสดาสอนสอนให้ขี้เกียจขี้ขลาดมุชช า, าวินทะเจทนังคนมั่นย่อมหาทรัพย์ได้นม่ใช่สอนให้มั่นเล่นอบายยมุขมั่นในทางที่ชอบในระหว่างพ่อเขามีก็สอน ด้วยยอบย่อง น, นับนถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูมีมาสิ้กับอาจารย์พระพุทธศา ส, าศาสานาขอสอนหนึ่งด้ทุกขึ้นยืนรับสองดเข้าไปยืนคอยรับช้ 3. สามด้วยเชื่อฟังสีด่ดยอุปถาห้าด้ยเรียนศีลนภาวิทยาโดยต่อรพอาจารย์ได้รับบำลุงที่นี้แล้ ว, วยอมานกสิบด้วยสถานห้า หนึ่งแนะนำดีสองให้เรียมดีสามบอกศิลปะวิทยาให้ชิ้นเชิมไม่ผิดบางอำพรางสี่ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงห้าทำความพร้องการในทิศทั้งหลายคือจะไปในทิศไหนก็ไม่ให้อดอยากในระหว่างครบมิตรพระบรมศาสดาข้อสอนไม่ใช่วัดตัด มาให้ควบมิตรแต่พวกเราถือว่ากินเหล้ากินยาจึงเป็นการควบมิตรนะถือบ่อ้าบ่าบอไปดื่มน้เราชักชวนดื่มน้ำมาชักส่วนเที่ยวกลางคูนไม่มีประโยชน์ชักส่วนให้มองมองในการเล่นชักส่วนเล่นการพ น, นันมิตรจำพวกนี้ไม่ควดควบมิตรมิแท่สี่จำพวก มิตรวิปปาระมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จังพ่อเป็นมิตรแท้ควรคบมิตรวิปปาระมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนทู่มาแล้วสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนทู่มาแล้วสเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งทำนักได้สี่เมื่อมีทุระช่วยออกข้าวภัยเกินกว่าที่ออกปาเออเราจะให้เพื่อนห้บาทพูดออกอย่างนี้เวลาให้ให้ห้ารอยหรือพันหนึ่งนั่นเพื่อเอกคราวภัยเกินกว่าที่ออกป่า มิตรร่วมสุขร่มทุกข์มีลักษณะสี่หนึ่งขยายความลับของคนแก่เพื่อนสองปลความลับของเพื่อนมาแพร่นธุ์สามไม่ละทิ้งในยามอุบัติสี่แม่ชีวิตกว่าอาจจะแทนหน้ามิตรและประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งห้ามรกระทําควชั่วส อ, อ, องตั้งอย่ในความดีสามอนุเคราะห์แนะนําใจอนามาสีบ่บอกทางสวรรค์ให้นั่นมิตรเฉพวกนี้เป็นมิตรแท้ความครบมิตรปฏิรูปคือมิตร เทียมมิตรม่ควครบหนึ่งคนปลอกล่อสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจบสี่คนยักชวนในทางชิ้หายคนสี่เจ้พวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรไม่ควรบเนอะหนึ่งหนึ่งคนปลอกล่อมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ใส่เดียวสองเสียให้เพื่อนน้อยคิดเอาของเพื่อนมากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวก็จึงรีบทำคิดธุระของเพื่อนเพื่อจะขอจะขอจะตั้งสี่คบเพื่อนออเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว สีคนชักควรในทางคิดหายมีลักษณะสี่ชักควนยืนหน้าเมาชักควรเที่ยวกลางคืนชักควนแหงมามอในการเล่นชักควนเล่นการพนันคนปลอกลอกมีลักษณะสี่หนึ่งจะทํามีกคอคล้อยตามจะทํำชั่วคอคล้อยตามต่อว่าต่อหน้าว่าสารเสื่อรับหลังตั้งนินทาอ่ ใครจะไปสอนดีเท่าพระพุทธศาสนาไม่มีเลยทกลงคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่สอนโลกโดยตรงๆเราดีๆนี่เองสอนให้ถึงพระนิพพานด้วยนั่นจะได้คําสอนที่ไหนมาให้เท่าคําสอนของพุทธศาสนาไม่มีดอกงั้นปริญญาในทางพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันญาติปาริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ ที่หนาปัญญากำหนดรูปเรขาทิศอย่าปนันปัญญากำหนดรูปเยขาราศีคือรากีเลดีชาไมมีพระพุทธศาสนาแยกแฝงอยู่ในโลกเสียงร้องไห้ร้องห่มเสียงเวรเสียงภายเสียงลูกระเบิด มันก็เต็มในโลกสงสารเสียงคุณป้าคุณลุงสวัสดีอย่างนั้นอย่างนี้มันมีปนอยู่กระเพาะมีอายุวันโนสุขังพลังของพระนะอายุวันโนสุขังพลังของพระมีอยู่ของพระของเนให้พอยจึงมีคุณป้าคุณลุงคุณหนูสวัสดีหรืออย่างนั้นอย่างนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้าอย่างนั้นก็ตรงกันข้ามนะ ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมาก่อนม่เห็นแม่ตายเนี่ยท่อมหาสมุทรร้อโกดแล้วมาสงขายมหาสมุตก็ตามก็จะมาคายความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาอย่างลงถึงขนาดนั้นย ตัมมุนีนาวัตตีโลโก้สัตโลกเป็นไปตามกรรมกรรมพาเป็นกรรมพาไปก็บุญวัฒนะน้อยจึงบรรดาลมาให้เรื่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะเม่สมฐานะพระพุทธธรรมพระสงฆ์คนที่เมาสมฐานะพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะเริ่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยังไงได้นะ้ เพราะอาวัชายังตับต้ อ, อยู่ถูกว่ารว่าต้องเคยสร้างดในในทางที่วาถึงได้เข้าในแบบนี้ได้ถูกุูเจศกตาปุญณตาบุคคลผู้จะทำความดีในปางก่อน พระตาสัมมาปณิทิจกตั้งตัวนไวยครอบจะฟังก่อนเอตมังคะลมุตตะมังเป็นมงคลอนุรมของเทวดาธระมุสต่างอลยสมณานันททัตตนาคเพื่อเห็นสมณะการใ น, นธรรมะสาขาฉาเคยได้ฟังธรรมเอตมังคัลมุตตะมังเป็นมงคลอนุรมของเทวดาธรรมุสต่างหลาย วินยโยจะเคยได้ปฏิบัติพระวินัยสุสิกขิตเคยเป็นผู้ศึกษาดีสุภาทิตาเคยเป็นผู้วางาง่ายกาง่ายเอตมังคารมุตตามั ง, มมงก็เป็นมงคลนอนันโรมดีของเขาเอาควมรมาสอรามีมดทุกคนต้องแห่ง เผื p p not Wohn, so. p p ja ่อหลวงปู่สังขารไม่ไหวหลวงปู่บอกเื่งเองเลยนะคะแค่เผื่สังขารของหลวงปู่ไม่ไหวนะคะหลวงปู่บอกเื่งเองเลยนะคะเล่าแล้วเนี่ยขึ้นขาเป็นขึ้นยกสูงจะถามขอถามถ้ามาถามขอเากันใครจะถามถามถ้ามาถามขอเลกัน ลวงปู่เวลาคุยทำรมะหลวงปู่สบายใช่ไหมฮ <c oughs> ะสบายหลวงเข้าใจว่าลุงปู่เวลาสนทนาธรรมใหลวงปู่จะสบายอ้าวกระถูกเลยอ่างกระถูกอืม <c oughs> ก็ต้องรักอาจารย์หนึ่งอาจารย์ไหนที่เราเคยอยู่ในรลกเงาของท่านอาจารย์ลมหายใจเข้าออกหรืออาจารย์พิชยาของผลในฟันอะไรอันหนึ่งแล้วก็สงบอยู่กับท่านอาจารย์องค์นั้นหลเราต้องปฏิบัติท่านเพราะยังรักพร้อมสมุดอยู่อาศัยกรรมฐานสถ า, านะแปลวิธีตั้งธรรมะแปลวิธีธรรม มันก็ถือว่ามันกันมรักภาวนาก็ไม่ขาดทนุนรักศีลรักภาวนาไม่ขาดทนุนรักข้อวัปฏิบัติไม่ขาดทนุนอันในอันหนึ่งมันเป็นข้อวัดของกันวันพื่ของผู้มีสติดีมาก มีสติอยู่ในธรรมะอยู่ด้วยธรรมะไปเพื่อนลูลูมันจะอยู่ด้วยโลกเลยสงสารมันคือล่วงไปล่วงไปบทนี้เราทำอะไรอยู่เราบริมศาสตร์สอนให้เทือนเจ้าของมันปรเชิดพิจารณาเนือ ง, งว่า มันคืนล่วงไปล่วงไปบัตรนี้เราทําอะไรอยู่ถ้าเราทําอะไรอยู่แล้วก็ตอบเราได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเดินโยมอยเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้านอนภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้านั่งภาวนาอยู่ก็ตอบได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าระลึกถึงธรรมวัใดบันหนึ่งอยู่ก็ตอบจะของใด เี่ยกดเลยโอ้วนันด็ไม่อยากนอนเลยมันมีนิสยัยเด็กเด็กไปวัดไปวา ด, ด้วยอย่าไปห้ามมันมันมีนิสัยต้อให้มันไปด้วย